ทุกขานุปัสนาการอธิบายความเหลือที่มหาวิปัสนามีทุกขานุปัสนาเป็นต้นจะแสดงเฉพาะข้อความพิเศษที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ในอนิจจานุปัสนาส่วนข้อความที่มีตรงจะไม่กล่าวซ้าอีกผู้เจริญวิปัสนาที่กำหนดรู้สภาวะธรรมที่แท้จริงของรูปนามแล้วเห็นประจักษ์ว่ารูปนามมีความเกิดดับ บีบคั้นอยู่เสมอปัญญาที่รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ในลักษณะนี้ชื่อว่าทุกขานุปัสนาในเรื่องนี้พึงทราบข้อความที่เกี่ยวข้อง3มประการคือ 1. ทุกขสภาพถูกบีบคัน้นคือรูปนามขันห้าที่เกิดดับอยู่ทางทวานหซึ่งถูกบีบคัน้นโดยความเกิดดับอยู่เสมอ 2. ทุกขลักษณะลักษณะเป็นทุกข คือความบีบคั้น 3. ทุกขานุปัสนายานรู้เห็นวัตทุกขโดยเห็นประจักษ์การถูกบีบคั้นของรูปนามที่เกิดดับอยู่หรือเห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวเป็นภยัยน่ารังเกียจไม่ดีงามมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำภีวิสุทธิมรกว่าหนึ่งขันท่านั่นแหละชื่อว่าสภาพเป็นทุกข์ดังพระพุทธนำรัสว่า ยทัทานิจจังตังทุกขังสภาพใดไม่เที่ยงสภาพนั้นเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นอยู่เสมอ2ลักษณะที่ถูกบีบคั้นอยู่เสมอชื่อว่าลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะเป็นทุกข์จำแนกออกเป็นสามประเภทคือ 1. ทุกข์ัดทุกข์ทุกแท้คือลักษณะที่ทนได้ยากของทุกขเวทนาที่มีอยู่ภายในกายและใจ หมายถึงอาการที่ทนได้ยากมีอยู่ภายในกายและใจขณะเสวยอารมณ์อยู่ 2. วิปริณามทุกข์ทุกแปรปรวนคือสุขเวทนาที่รู้สึกเป็นสุขทางกายและใจเป็นสภาวะที่แปรปรวนไม่คงที่อยู่เสมอ 3. ส, สังขารทุกข์ทุกประจําสังขารคือลักษณะที่ถูกความเกิดดับ บีบคั้นอยู่เสมอซึ่งมีอยู่ในทุกรูปนามทุกคลักษณะที่จัดเป็นไตร ล, ลักษณ์นั้นเป็นลักษณะของสังขารทุกอย่างเดียวเพราะเนื่องด้วยสังขารที่มีในภูมิสามทั้งหมดดังคำภีมหาติกาของวิสุทธิมักราวว่าตีสุทุกขตาสุสังขาลทุกขตาวะพยาปินี ในบรรดาทุกคลักษณะทั้งสามลักษณะของสังขารทุกข。เท่านั้นครอบครุมไปในสังขารทั้งหมดผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามซึ่งเกิดดับทางทวารหกย่อมไม่รู้เห็นว่าความเกิดบีบคั้นรูปนามอยู่เสมอเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในอิริยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งนานก็มักจะไม่ได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริง ว่าเป็นเพียงสภาวะที่ทนได้ยากแต่มักเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อหลีกเลี่ยงเวทนาดังกล่าวทุกขเวทนาจึงไม่ประจักษ์แก่คนทั่วไปเพราะอิริยาบทปิดบังทุกเมื่อบุคคลมิรู้เห็นลักษณะของทุกที่หยาบก็ไม่อาจเห็นประจักษ์ลักษณะของวิปริณัตทุกและสังขารทุกข์ได้ ส่วนผู้ที่กำหนดรู้รูปนามซึ่งเกิดดับทางทวาร6ย่อมรู้เห็นว่าความเกิดดับปีบขั้นรูปนามอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงสามารถรู้เห็นความแปรปรวนหายไปของสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในอิริยาบถ ท, ที่สบายและรู้เห็นทุกเวทนาที่ทนได้ยากเช่นความเจ็บปวดเมื่อยที่ปรากฏขึ้น โดยความเป็นสภาพของสังขารในบางขณะอาจกําหนดรู้จิตที่ต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะทนนั่งต่อไปไม่ได้และกําหนดรู้อากับกิริยาเปลี่ยนอิริยาบถรวมไปถึงความปรากฏของสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนาจางหายไปผู้ที่รู้เห็นว่ารูปนามถูกความเกิดดับบีบคั้นแล้วปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่า เพิกอิริยาบทที่ปิดบังทุกข์และเข้าใจทุกขลักษณะอย่างแท้จริงเพราะได้ประจักษ์ลักษณะของสังขารทุกข์ดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะอิริยาบทปิดบังไว้เนื่องจากไม่ได้ใส่ใจการถูกบีบคั้นเนืองเนืองเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมใส่ใจการถูกบีบคั้นเนืองเนืองแล้วเพิกถอนอิริยาบท ทุกคลักษณะย่อมปรากฏโดยสภาพของตนตามความเป็นจริงคำกล่าวในคัมภีร์อัตถกถาว่าเพิกถอนอิริยาบถอาจทาให้เข้าใจว่าท่านแสดงความปรากฏของทุกข์ทุกเพียงอย่างเดียวแต่ท่านยังแสดงความปรากฏของวิปริณมทุกข์และสังขารทุกข์ด้วยคำกล่าวว่าใส่ใจการถูกบีบคั้นนึงเนืองอีกด้วย ดังนั้นประโยคข้างต้นจึงแสดงถึงความปรากฏของทุกข์ทั้งสามประเภททุกขานุปัสสนาโดยปรมัตที่รู้เห็นทุกขลักษณะอย่างแท้จริงย่อมละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเป็นสุขกล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นรูปนามว่าเป็นทุกย่อมสําคัญผิดว่าเป็นสุขด้วยสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาส และจิตตวิปลาสนอกจากนั้นยังเกิดกิเลสอื่นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมและวิบากขันที่เป็นผลกรรมแต่ผู้ที่เห็นว่าเป็นทุกข์ย่อมไม่เกิดความสําคัญผิดเป็นต้นในอารมณ์นั้นเพราะทุกขานุปัสนาละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเป็นสุขดังปรากฏข้อความว่าผู้ที่รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ ย่อมละสุกสัญญาได้สรุปความว่าทุกขานุปัสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ปัจจคยานปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามเป็นทุกขโดยรู้เห็นว่าถูกปีบคั้นด้วยความเกิดดับหรือแปรปลวนแตกสลายไปหรือถูกเปียดเบียน 2. อ, อนุมานยาน ปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรือที่อยู่ในโลกทั้งหมดมีสภาพเป็นทุกข์โดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่าอัญญวิญาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์ทุกขานุปัสสนาทั้งสองประเภทโดยการเห็นประจักษ์ และโดยการอนุมาณรู้มักเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัมมาสนญาณเป็นต้นไปและมีกำลังแก่กร้าบริบูรณ์ในระดับพังคยานเป็นต้นไป 3. อนัตตานุปัสสน า, นาเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้รูปนามโดยสภาวะลักษณะแล้ว ย่อมรู้เห็นว่ารูปนามไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการปัญญาที่รู้เห็นว่าเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนชื่อว่าอนัตตานุปัสนาอัตตาที่ตรงกันข้ามกับอนัตตาไม่ใช่หมายถึงตัวตนหรือร่างกายอันเป็นที่ประชุมกันของหมู่รูปนามซึ่งเป็นบัญญัติ แต่หมายถึงอตาตมาหรือวิญญาณที่คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่เสวยผลกรรมสิ่งที่ควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามที่ต้องการดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้นอาตาไม่ใช่ขันห้าไม่มีอยู่ในขันห้าเป็นเพียงบรร ญ, ญัิที่คนทั่วไป ผู้ยังมีทิฏฐิอยู่ยึดมั่นว่ามีจริงฉะนั้นขันห้าจึงเป็นอนัตตาตามรูปวิเคราะห์ว่าอนัตตาคือสภาวะไม่ใช่อัตตาหรือมีรูปวิเคราะห์ว่านัตถิอัตตาเอเตสันติอนัตตาสภาวะไม่มีอัตตาที่จริงแล้วถ้าขันห้าเป็นอัตตาก็ควรเป็นไปตามที่ต้องการ อยู่ในบังคับบัญชาแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงเป็นอนัตตาส่วนลักษณะที่ไม่เป็นไปตามต้องการชื่อว่าอนัตตลักษณะผู้ที่เห็นประจักษ์ความเกิดดับของขันห้าตามความเป็นจริงย่อมไม่พบอัตตาที่เป็นตัวตนอยู่ในความต้องการจึงรู้เห็นว่ารูปนามเป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่อัตตาแต่อย่างใด ยานรู้เห็นว่าเป็นอนัตานี้ชื่อว่าอนัตตานุปัสนาดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าหนึ่งขันห้านั้นเทียวเป็นอนัตตาดังพระพุทธดํารัสว่าอย่างทุกครั้งตทนัตะะนาตาสภาวะธรรมใดเป็นทุกสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เป็นไปตามที่ต้องการสอง ลักษณะไม่เป็นไปตามต้องการเป็นลักษณะของอนัตตาคนทั่วไปที่ไม่ได้กำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารหกย่อมไม่สามารถแยกแยะสภาวะธรรมนั้นโดยขณะสภาพหน้าที่และอารมณ์ได้แต่จะรู้เห็นในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนอย่างเดียวกันในขณะเห็นรูปเขาสำคัญว่า ความอยากดูการดูครั้งแรกการดูครั้งต่อมาและการพิจารณาเกิดขึ้นพร้อมกันแทนที่จะรู้เฉพาะสภาวะเห็นอย่างเดียวขณะนั้นจัดว่าคณะบัญญัติคือบัญญัติอาศัยกลุ่มได้ปิดบังสภาวะธรรมที่แท้จริงผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้อย่างนี้ย่อมไม่อาจเข้าใจอนัตตลักษณะ และอนัตตานุปัสนาก็จะไม่ปรากฏแก่เขาในกรณีตรงกันข้ามผู้ที่กำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารหกย่อมสามารถแยกแยะสภาวะธรรมนั้นโดยขณะสภาพหน้าที่และอารมณ์ในขณะที่สติสมาธิและปัญญามีกำลังแก่กล้าขึ้นเขาไม่รู้เห็นในลักษณะที่เป็นกลมก้อน เช่นในลักษณะเห็นรูปก็ย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงสภาวะเห็นปรากฏแล้วดับไปโดยไม่อยู่ในอำนาจของตนขณะนั้นจัดว่าสามารถทำลายคณะบัญญัติที่ปิดบังสภาวะธรรมได้ผู้ที่กำหนดรู้อย่างนี้ย่อมเข้าใจอนัตตลักษณะและอนัตตานุสปัสนาก็จะปรากฏแก่เขาดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่า อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกกลุ่มปิดบังไว้เนื่องจากไม่ได้รู้เห็นการกระจายออกไปของธาตุต่างๆที่เป็นรูปธาตุและนามธาตุเมื่อกระจายธาตุต่างๆออกไปแล้วทำการกระจายความเป็นกลุ่มอนัตตลักษณะย่อมปรากฏโดยสภาพของตนตามความเป็นจริงความเป็นกลุ่มที่ปิดบังอนัตตลักษณะ จำแนกเป็นหประเภทคือหนึ่งสันตติคณะความเป็นกลุ่มโดยความต่อเนื่องหมายความว่ารูปนามมีสภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปจึงไม่สามารถแยกรูปแยกนามในแต่ละขณะออกจากกันทำให้ยึดมั่นผิดว่าเป็นตัวตนที่เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังสภาวะธรรมไว้เช่นในขณะเห็นรูปคนทั่วไปมักสำคัญว่าความอยากดูการดูครั้งแรกการดูครั้งต่อมาและการพิจารณาเกิดขึ้นพร้อมกันจึงทำให้เข้าใจผิดว่าเราเห็นได้ดูได้ตามต้องการของตนแม้ในขณะได้ยิน รวมไปถึงขณะเหยียดคู่เดินยืนนั่งนอนเป็นต้นคนทั่วไปก็ไม่สามารถแยกรูปแยกนามในแต่ละขณะออกจากกันได้จึงทำให้ยึดมั่นผิดว่าเป็นตัวตนที่เป็นไปตามที่ตนต้องการส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมย่อมเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่ถูกปิดบังว่า อากับกิริยาทางกายวาจาและใจล้วนเป็นสภาวธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนแต่อย่างใดเช่นความอยากดูเป็นสภาวะอย่างหนึ่งการดูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้นความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของรูปนามที่ปรากฏจากความต่อเนื่อง2 ส, สมุหะคณะ ความเป็นกลุ่มโดยกองรูปนามหมายความว่าคนทั่วไปมักสำคัญว่ารูปนามเป็นกลุ่มเดียวกันไม่สามารถแยกแยะรูปนามออกจากกันได้เพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังไว้ทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนเช่นในขณะคู้ก็สำคัญว่าความอยากจะคู้กับสภาวะคู้เป็นอย่างเดียวกันนอกจากนั้น อย่างสำคัญว่าจักขุปราศาท์กับรูปที่เห็นโสตะปราศาท์กับเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเห็นมือของตนแล้วสัมผัสหรือสัมผัสแล้วเห็นมือก็สำคัญว่ารูปมือมที่เหน็นและรูปมือที่สัมผัสเป็นอย่างเดียวกันอีกทั้งยังสำคัญว่าจักขุปราศาส์รูปนั้นเป็นที่ตั้งของสภาวะเห็นและกายประสาท รูปอันเป็นที่ตั้งของสภาวะสัมผัสเป็นอย่างเดียวกันดังนี้เป็นต้นความเป็นกลุ่มโดยกองรูปกองนามหรือทั้งกองรูปกองนามที่บุคคลสําคัญว่าเป็นอย่างเดียวกันนี้ชื่อว่าสมูหะคณะเป็นสิ่งที่ปิดบังอนัตตลักษณะของรูปนามแก่บุคคลผู้มิได้จเจริญวิปัสนา ส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวธรรมย่อมเข้าใจว่ารูปและนามเกิดคนละษณะโดยเป็นคนละส่วนเช่นจิตที่ต้องการจะคูหรือเหยียดเกิดขึ้นก่อนสภาวะคูหรือเหยียดทั้งสองอย่างเป็นคนละษณะกันถ้าไม่มีจิตที่ต้องการจะคูหรือเหยียดสภาวะคูหรือเหยียดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อกาหนดรู้ว่าพองหนอ สภาวะพองเป็นคนละอย่างกับจิตที่กำหนดรู้ถ้าไม่มีสภาวะพองจิตก็กำหนดรู้ที่เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนั้นในขณะกำหนดสภาวะเห็นได้ยินและสัมผัสอย่างต่อเนื่องย่อมเข้าใจว่ารูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินการกระทบสัมผัสที่รับรู้เป็นคนละอย่างกัน อีกทั้งยังเข้าใจว่าจาักขุประษาทรูปอันเป็นที่ตั้งของสภาวะเห็นและกายประสาทรูปอันเป็นที่ตั้งของสภาวะสัมผัสเป็นคนละอย่างกันสภาวะเห็นจักขุอิญญาณการกระทบระหว่างรูปและการเห็นผัสสะและความรู้สึกดีหรือไม่ดีอันเกิดจากการเห็นเวทนาก็เป็นคนละอย่างกัน ดังนี้เป็นต้นเขาย่อมเข้าใจว่าอากัปกิริยาทางกายวาจาและใจล้วนเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนแต่อย่างใดความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของรูปนามที่ปราศจากความเป็นกอง 3、กิจจคณะความเป็นกลุ่มโดยหน้าที่หมายความว่ารูปนามแต่และอย่างมีหน้าที่ต่างกันตามสภาวะนั้นๆแต่คนทั่วไปมักจะสำคัญว่ารูปนามเป็นอย่างเดียวกันอันมีหน้าที่เหมือนกันเพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังไว้ทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนเช่นในขณะเห็นจักขุ ประสาททําหน้าที่ให้เห็นรูปจกักรวิญญาณทําหน้าที่เห็นรูปรูปทําหน้าที่ถูกเห็นดังนี้เป็นต้นแต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสนาย่อมเข้าใจว่ารูปนามเป็นอย่างเดียวกันจึงมีตัวตนที่เห็นได้ยินที่จริงแล้วหน้าที่ของรูปนามเป็นกฎธรรมชาติที่ดําเนินไปตามคันลองปกติ เช่นจักุวิญญาณทำหน้าที่เห็นโสตวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินคานวิญญาณทำหน้าที่รู้กลิ่นชิวหาวิญญาณทำหน้าที่ลิ้มรสกายวิญญาณทำหน้าที่กระทบสัมผัสมโนวิญญาณทำหน้าที่นึกคิดเรื่องราวต่างๆสุขเวทนาทำหน้าที่ยังจิตให้ร่าเริง ทุกขเวทนาทำหน้าที่ยังจิตให้เศร้าหมองอุเบกขาเวทนาทำหน้าที่ยังจิตให้วางเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขจิตที่ต้องการจะคูทำหน้าที่ก่อให้เกิดรูปที่เคลื่อนไหวโดยสภาวะคูรูปที่คูทำหน้าที่เคลื่อนไหวเข้าหาร่างกายส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรม ย่อมเข้าใจอย่างถูกต้องโดยไม่ถูกปิดบังว่ารูปนามแต่และอย่างมีหน้าที่ต่างกันความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของรูปนามที่เป็นคนละอย่างกันโดยหน้าที่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่อาจทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งได้ 4. อรารมณ์นคคณะความเป็นกลุ่มโดยอารมณ์หมายความว่า นามธรรมแต่และอย่างมีอารมณ์ต่างกันตามสภาวะนั้นๆแต่คนทั่วไปมักสำคัญว่านามธรรมมีอารมณ์เหมือนกันเพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังไว้ทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนที่มีอารมณ์เหมือนกันเป็นเราคนเดียวกันที่เห็นได้ยินเช่นจกักขูวิญญาณรับรู้เป็นอารมณ์จิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยิน หรือจิตที่เห็นสีขาวไม่ใช่จิตที่เห็นสีดำจิตที่เห็นสีดำไม่ใช่จิตที่เห็นสีขาวหรือจิตดวงแรกที่เห็นไม่ใช่จิตดวงต่อมาที่เห็นส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวธรรมย่อมเข้าใจอย่างถูกต้องโดยไม่ถูกปิดบังว่านมามธรรมแต่ละอย่างมีอารมณ์ต่างกันความเข้าใจดังนี้ เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของนามว่ามีอารมณ์ต่างกันเช่นจิต ท, ที่ต้องการจะดูจิตที่กำหนด ร, รู้ว่าอยากดูหนอจิต ท, ที่เห็นและจิต ท, ที่กำหนด ร, รู้ว่าเห็นหนอเป็นคนละอย่างกันความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของนามที่เป็นคนละอย่างกันโดยอารมณ์ คำอธิบายข้างต้นกล่าวตามข้อความในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักว่าหนึ่งโดยแท้จริงแล้วบัญญัติเหล่าใดคือความเป็นกลุ่มโดยกองรูปนามสมูหักคณะบัญญัติที่บุคคลผู้ยังไม่รู้ชัดสังขารรับรู้โดยเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันในรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดร่วมกันและอุปธรรมกันและกัน ความเป็นกลุ่มโดยหน้าที่กิจคณะบัญญัติบุคคลรับรู้โดยเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้สภาวธรรมนั้นๆจะมีหน้าที่ต่างกันแน่นอนความเป็นกลุ่มโดยอารมณ์อรมมะคณะบัญญัติซึ่งบุคคลรับรู้โดยเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้สภาวธรรมที่รับอารมณ์นั้นๆ จะมีการรับอารมณ์ต่างกัน 2. บัญยัตเหล่านั้นย่อมเสื่อมสลายไปเมื่อบุคคลรู้เห็นธาตุโดยกระจายแยกออกด้วยปัญญาเหมือนฟองน้ำที่กระทบมือ 3. ลักษณะของอนัตตาย่อมปรากฏชัดว่าธรรมคือรูปนามเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่ว่างเปล่าจากตัวตน อันดำเนินไปตามเหตุปัจจัยอนัตตานุปัสนาที่ละความเป็นกลมโดยความต่อเนื่องโดยคณะกองรูปนามโดยสภาพหน้าที่และอารมณ์ดังนี้ย่อมเข้าใจว่ามีเพียงสภาวะธรรมที่จําแนกเป็นรูปนามไม่มีตัวตนเราของเราและสามารถ และอัตสัญญาเป็นต้นได้กล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงย่อมเกิดสัญญาวิปลาดที่สําคัญผิดว่ามีตัวตนรวมถึงทิฏฐิวิปลาดและจิตตาวิปลาดเขาย่อมทำกรรมที่เป็นบุญหรือบาปด้วยอำนาจของวิปลาดและจะเกิดวิบาคันอันเป็นผลของกรรมต่อมา ในกรณีตรงกันข้ามผู้ที่เห็นว่าเป็นอนัตตาย่อมไม่เกิดความสำคัญผิดเป็นต้นในอารมณ์นั้นเพราะอนัตตานุปัสสนาและสัญญาวิปลาสเป็นต้นไปจนถึงทุกข์ในสังสารวัฏที่มีขันธ์ใหม่ในพบต่อไปดังปรากฏข้อความว่าผู้ที่รู้เห็นว่าเป็นอนัตตาย่อมต้องละอัตสัญญาได้ สรุปความว่าอนัตตานุปัสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปัจจักขยานปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่ใช่อัตตาตัวตนหลังจากนั้นเข้าใจว่ารูปนามที่ปรากฏทางทวารหกไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือบังคับบัญชาไม่ได้สองอนุมานยานปัญญาที่อนุมารู้ ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรืออยู่ในโลกทั้งหมดมีสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่าอันวยายาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์อนัตตานุปัสนาทั้งสองประเภท โดยการเห็นประจักษ์และโดยอนุมารู้มักเริ่มเกิดตั้งแต่สมัสนญาเป็นต้นไปและมีกําลังแก่กล้าบริบูรณ์ในระดับพังคยานเป็นต้นไ ป, กกนน ป, นนไปอันหนึ่งอนิจจานุปัสสนาที่รู้เห็นความไม่เที่ยงนั้นจำแนกเป็นสองลักษณะคือ1การรู้เห็นสภาวะเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปในแต่ละขณะสองการรู้เห็นสภาวะเกิดขึ้นและดับไปมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักว่าพระอัตตะตาจารย์จะแสดงว่าอ น, นิจจะลักษณะย่อมมีการดับไปชั่วขณะของสภาวะธรรมโดยเฉพาะจึงกล่าวหุตวาอาพาโววา่า หรือลักษณะแปลปรวนที่เรียกว่าความเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นต้นธรรมดาว่าความดับเป็นที่สุดของความไม่เที่ยงดังนี้การรู้เห็นว่าไม่เที่ยงจึงเหมาะสมแก่ผู้เห็นประจักษ์ความดับในอนิจจลักษณะทั้งสองนี้ลักษณะหลังเป็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันที่เห็นว่าพังคะขณะจัดเป็นอนิจจักษณะ ที่ปรากฏชัดเจนที่สุดดังนั้นอนิจจานุปัสสนาจึงเกิดขึ้นแก่ผู้ที่บรรลุพังขยาแล้วด้วยการเห็นความดับไปของรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอนอกจากนั้นทุกขานุปัสสนาก็ปรากฏแก่เขาที่เข้าใจว่ารูปนามเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะถูกบีบคั้นหรือทุกข์ที่เพราะเลื่อมสลายไป ไม่ใช่เหตุสุขที่น่าพอใจและอนัตตาไม่ใช่เป็นสุขที่น่าชอบใจและอนตานุปัสสนาย่อมปรากฏในขณะเข้าใจว่าไม่อาจควบคุมให้รูปนามเที่ยงและเป็นสุขที่ถาวรได้ตามที่กล่าวมาแล้วนี้อนุปัสสนาสามประการย่อมปรากฏตามสมควรแก่ผู้รู้เห็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบัน ดังคัมภีวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นความธรรมดาดับไปเป็นที่สุดของความไม่เที่ยง 2. ดังนั้นผู้ประรพความเพียรผู้เห็นความดับไปจึงรู้สังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมิใช่เห็นว่าเที่ยง 3. หลังจากนั้นย่อมรู้เห็นเป็นทุกข์มิใช่เห็นว่าเป็นสุขและรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตน มิใช่เห็นว่าเป็นตัวตนเพราะสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และทุกข์ก็เป็นอนัตตา